Book ทูสิบเดเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ยูเชอร์ดา s ัสสุตราเมื่อวานเป็นวันเสาร์ยูย่บิลลาุ เมื่อวานดิฉันไปดูหนังยูเ n อร์ซัมบิโอบิลาอุนหนังน่าสนใจภาพยนต์น่าสนใจฟิล์มเยบิโออินเทอร์ a รวันนี้เป็นวันอาทิตย์ดานาเซ่เนดเยล่ะ วันนี้ดิฉันไม่ทำงานดานัสเนราดิมดิฉันอยู่บ้านออสเทเยมโคดกูเชพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์สุตรเเนดเพรุร่งนี้ดิฉันไปทำงานอีก Sutra p o n ovo รัดิมดิฉันทำงานที่สำนักงาน я радим у бюро คนนั้นคือใคร Ko й это คนนั้นคือปีเตอร์ тое Петер ปีเตอร์เป็นนักศึกษา เพเทอย่นักเคนนั้นคือใคร Ko เย่โตคนนั้นคือมาธาโตเย่มาร์มามาธาเป็นเลขานุการมาร์ตาเย่เลขานุการปีเตอร์และมาธาเป็นเพื่อนกัน Peter i Marta su p r i a ป e l เพื่อนีเตอร์เป็นเพื่อนของมาร์ธาปีเตอร์เย่มาร์ตินเพื่อนมาเป็นเพื่อนของปีเตอร์มาร์ตาเย่ r ีเ a p a i โ i วาเการุณาไปที่